มหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองคือพระปพเจกทั้งหลายชั้นที่สามอรหันตตาฉีนาสุพทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าสักัาคามีทั้งหลายชั้นที่หพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทาผิดท่าน ด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสามอันในอันหนึ่งมาแต่พวก่นก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจ ง, งโโทรงอโหทุกข์ให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลนุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบรวรพุทธศาสนา ของพระสมานพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทินและระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีหรือทั่วทั้งไตรโรกาต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าทั่วทั้งไตรโรกาต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณผลชุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความ จเจริญในบรวรและพุทธศาสนาของพระสมัยพรพุทธเจ้ายิ่งยิ่งเกินไปจนถึงที่สุดทุกรอยชอบทุกท่อนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเชิญห้างตวงแห่ฮิปิเมครมิตาบางยัตตาปะปังกระตังกรรมังกุสเลนะประฮิญติโซมังโลกังบคาเสติอภโมโตจอรัญที่มาอภิวาทนาสีริสสานิจังวุฒาปิจายโนจัตตารธรรมาวัันติอายุวันโนสุ ข, ขงังพระรัง รเรื่องปล่อยเวรภัยไม่ในหมกเวรภัยไว้ในโลกเรียกว่าปล่อยเวรภัยถ้ามันไม่มีเวรไม่มีภัยปล่อยเวรภัยทิ้งไม่ในหมกเวรไว้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคนเราทุกท่าน อยู่ที่ไหนก็ตามมาที่นี่ก็ตามไม่มาก็ตามหรือทุกทนหน้ า, าทั้งไตรโรกาตาฝายตา่างชอบสุขรังเกียจทุกขถึงจะบรรสุขบรรยัติสุขทุกไม่เป็นก็ตามแต่ว่าชอบสุขเช่นสัตติรัชานเวลาเราเดินไปนกหนูปูปีก มันรักสุขมันเกรงจะทำร้ายชีวิตของมันมันก็บินหนีเช่นกบอย่างนี้กระโดดจําลงในน้ำเลยเพราะรักชีวิตของตนยิ่งกว่าอันอื่นเหตุฉะนั้นจึงลงความเห็นแล้วว่าปวงโรคทั้งสิ้นทุกทนหน้ารักตนรักษาทตร์รักพวกรักขาดของตน เนตุฉะนั้นปาณ า, าทิบาตกรการทำลายชีวิตตัดให้ตัวกลวงจึงไม่ควรในพระพุทธศาสานาจะกล่าวตัวเขาเกิดมาสําหรับเป็นอาหารของเราอันนั้นเราพูดเข้าข้างตัวเขาไม่ได้เขียนเสน้าผาักไว้ว่าจะเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แต่เราพูดเข้าข้างตัว พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติกิตตังทันตังสุขาวหางังกิตที่ฝึกฝนแล้วนำสุขมาให้กิจกิตตัฏฐะตามาโถสาทุฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนจิตคือฝึกฝนยังไงละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตัางรลาย จงทำจิตให้บันเทิงในการละชัว่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งนั้นทุกๆพระองค์มาสอนอย่างนั้นความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองจิตใจของตนได้หรือโลกได้โลกภายในคือตัวของเราโลคภายนอกคือท่านผู้อื่นสัตว์อื่นทําเป็นโกกรคกบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกได้โลกคือจิตใจภายในโลกภายนอกก็คือจิตใจท่นผู้อื่นโลกอันนี้เป็นของสำคัญมากนอกจากไกลไม่มีอันใดจะทำดีให้ใจนอกจากไกลก็ไม่มีอันใดจะทำชั่วให้ใจแปดหมื่นสี่พระธรรมะขันย่นลงมาหาใจแล้ว เป็นไตรสิขามีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาปรุงกลืนกันอยู่ที่ดวงใจไม่ใช่อยู่คนละมุมโลกไม่ใช่อยู่ในกระดาษไม่ใช่อยู่ในตู้ตู้จิตตู้ใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองกำได้ใครก่อก็คือคิตใจเป็นผู้ก่อขึ้นมีอิสระที่จะก่อขึ้นจงมีอิสระในการทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงมีอิสระในการละชั่วตามสติกำลังของตนนับแต่น้อยพระหามาเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายดีชั่วไม่ได้อยู่ดินฟ้าอากาศอยู่ที่กับหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนทำขึ้นทำดีก็ได้ดีอยู่ที่ใจก็บวกดีอยู่ที่ใจก็คูณดีอยู่ที่ใจทำดีบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยทำชั่วบ่อยใจก็ต่ำลงบ่อยสูงต่ำลุ่มดอนอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศน่ สิ่งที่ดีก็ใจเป็นผู้บัญญัติขึ้นสิ่งที่ชั่วก็ใจเป็ น, เ ป, นเป็นผู้บัญญัติขึ้นแต่ผู้บัญญัติถูกผิดก็คือคําสอนพุทธศาสนาตอนนั้นบัญญัติถูกสิ่งที่เป็นบุญก็ยืนยันว่าเป็นบุญสิ่งที่เป็นบาปก็ยืนยันว่าเป็นบาปไม่เป็นอุ ป, ปาทานเลยเพราะรู้ชัดตัดความสงสัยแล้วต้องยึดความดีไว้ที่ตนต้องสลัดความชั่วออกที่ตนจึงเรียกผู้รู้ดีรู้ชอบ รักที่อื่นๆบัญญัติไม่ถูกสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญบัญญัติว่าเป็นบาปก็มีบุญก็ดีประโยชน์ก็ดีสุดจริตก็มีมีความหมายอันเดียวกันสิ่งที่ไม่เป็นโทษก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันบาปก็ดีสุดจริตก็ดีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันคาว่าบุญ ปุญยังเป็นคำชื่อของภาษามาคตพเป็นคำชื่อของเป็นคำร้องเรียกของภาษาบาลีคันว่าบาปก็เป็นคำบาลีปาปังบาปที่เราแปลเป็นไทยแล้วก็บาปแปลเป็นไทยแล้วก็บุญปุญยังแปลเป็นไทยว่าบุญปาปังแปลเป็นไทยว่าบาปจิตถําไม่จิตาาเป็นคําภาษาบาลี ถ้าไปออกแก่ภาษาบาลีแล้วก็คือใจวิญญาณก็คือใจจิตก็คือใจมนัตก็คือใจมโนก็คือใจเป็นคําบาลีเป็นคำภาษามาคตชาวมาคตเรียกกันในสมัยนั้นเหตุที่นัจึงปาราศพภาษามาคตเป็นส่วนมากในรั้งพุทธการเหมือนพวกเราที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเอง โรคในสมัยนั้นเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ทรงอำนาจชิดเขขาและก็มีชื่อดวงดังร่วยในภาคใต้ติดบูนเป็นแคว้นใหญ่และมีอำนาจมากมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองจึงทรงพระราชาจงทรงพระนามว่าราชามาฆาโธแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมคต ใช้ภาษามะกวดกันในสมัยนั้นเพราะเป็นแควนใหญ่และมีอำนาจมากเหมือนพวกเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประเทศเหมือนกันเหมือนพวกกรีนที่เข้ามาอยู่เมืองไทยแต่กเกียวฮกเกียตกวางตุ้งไหหลำแะเหล่านี้พูดกันคนละภาษาทั้งนั้นแต่เมื่อพูดกันไม่ได้ก็เอาภาษาไทยเป็นภาษากลางก็มีอันเดียวกัน ใครจะเป็นผู้บัญญัติดีชั่วถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นนอกนั่นอย่าเอามาเอ่ยเลยเพราะพระพุทธศาสนาไม่มีกิเลสไม่บัญญัติเข้าข้างตัวบัญญัติเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาเทปไตยคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ใช่โลกาเทปไตยไม่ใช่เห็นโลกเป็นใหญ่ไม่ใช่เห็นตนเป็นใหญ่เรียกว่าอัตมาเทปไตยไม่ใช่เห็นประชาชนเป็นใหญ่เรียกว่าประชาชนเทปไตยไม่ใช่เห็นโลกเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตย เห็นทำเป็นใหญ่พระพุทธศาสนาไม่ได้โอนเอียงเข้าคนชั่นต่ำชั้นสูงเลยไม่ไดเอียงเข้าประเทศชาติชั้นวันนะใดๆเลยเป็นประชาปตยใครเอาระปฏิบัติตาก็ได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยปฏิบัติมากก็ได้มากจะไม่เสียเลยเพราะเป็นคำสอนโลกุตรละแล้วไม่ใช่โลกีคาสอน คำรรสอนในพุทธศาสนาเป็นคำสอนโลกุตละเนอสอนทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งพรหมสมบัติทั้งนิพพานสมบัติไปในตัวด้วยจะว่าพัฒนามนุษย์สมบัติจะว่าพัฒนาสวรรค์สมบัติจะว่าพัฒนาพรมสมบัติจะว่าพัฒนานิพพานสมบัติไปในตัวก็ถูก ถ้าผิดมนุษย์สมบัติแล้วก็ผิดสวรรค์สมบัติก็ผิดพรหมสมบัติก็ผิดนิพพานสมบัติไปในตัวนั่นเองพระเป็นทางเส้นเดียวกันเอ้าอบายามุกทุกประเภทชาวโลกบัญญัติราเป็นของที่จะเจริญในทรัพย์สินไอ้ที่แท้ก็ไม่มีสารอุดทอนเป็นทางชิบหายหน้าเดียวดิ่งเลยอบายมุกมุขะมุขแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปาก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 สร้างเหตุดองแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุเราเหยียบไฟไม่ต้องประสงค์ความรอดเราไปหลงเหยียบมันก็ได้รอดเหมือนกันตามเหตุผลที่เหยียบน้อยแล้วมากหรือไฟลุกโครงหรือไม่ลุกโครงหรือแดงโรหรือไม่แดงโร เราหลงทำเหตุไม่ดีผลของเหตุก็มาหาเราอีกเหมือนกันเราหลงนึกนึกคิดไปในทางที่ไม่ดีผลที่นึกคิดไปทางที่ไม่ดีก็ตามมาหาเรานั่น น, น่นน่นนนกรรมและผลของกรรมตามสรองสัตว์อยู่ทุกอิริยาบถของจิตใจเลย เหตุใจอันใดที่สงสัยผลของใจอันนั้นก็สงสัยเหตุใจอันใดที่ไม่สงสัยผลของใจอันนั้นก็ไม่สงสัยเหตุใจที่โง่ผลของใจอันนั้นก็โง่เหตุใจที่ฉลาดผลของใจอันนั้นก็ฉลาด เหตุตับตาผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นไม่อยู่ห่างกันพอก้าวเลยคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบกเกษียณเป็นแต่ผลของกรรมจบกเกษียณใหม่เป็นเออน้อเช่นเราทําผิดมาแต่ปีไหนๆเมื่อเราระลึกถึงเวลาใดเราก็เดือดร้อนอยู่ใช่ไหมถ้าเราทําถูกแต่ปางไไหนเรานึกมาเวลาใดเราก็เย็นใจนั่นแหละ คือสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่ไม่เป็นโทษก็มีความหมายอันเดียวกันนนกำไดใครก่อก็จิตใจเป็นผู้ก่อขึ้นอย่าไปโทษให้เดยนฝ้าอากาศอย่าไปโทษให้พระสมานพุทธเจ้าพระสมานพุทธเจ้าท่านพูดท่านปารอว่าเราเป็นผู้ รู้ทำก็จริงถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทอย่างแก่จมไม่กระด้างกระเดืองเลยเราไม่ได้แต่งทำแต่เป็นเพียงว่ามารียังทำอันนี้ดีอย่างนั้นอันนี้ยีอย่างนี้เท่านั้นถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ยังทำไม่ได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำพวกคุณหิวนอนหรือง่วงนอนก็นอนเองเราเป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นพวกคุณ กระหายน้ำํำเราก็บอกดื่มถ้าเรารู้จักไวม่ไยแต่เราไม่รู้จักถ้าพวกคุณบ่นว่าเหี่ยวน้าเออน้ำเดี๋ยวนั่นกินสักดื่มสักกระหายน้ําถ้าเหี่ยวอาหารก็ต้องกินสักตัะทานสัเราจะทําแทนไม่ได้เป็นเพียงแค่บอกเท่านั้นทับปรรมศาสตร์ เหตุนั่นทุกสิ่งทุกอย่างความดีความชั่วเราเป็นผู้สร้างขึ้นอย่าไปโทษให้ท่านผู้อื่นอัติหหอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นจะเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ท่านบอกเราทำดีถ้าเราทำไม่ดีก็จะเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้มีอิสระอยู่กับเราผู้เห็นเอง พระพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนารับจ้างด้วยอาเมศสอนให้เห็นเองทั้งกําลังปฏิบัติทั้งกําลังปฏิบัติแล้วทั้งความเรื่อมใส่ถ้ไม่เรื่อมใสเช่นไม่เรื่อมใสอย่างนี้จะไปถือควัญถือไม่มาให้เรื่อมใสมันก็เรื่มใส่ไม่ได้มันต้องมีอิสระเองถ้าหาว่าไปกล้าหมดตางมันก็ขบุดคืนเพราะไม่เห็นเองนั่ ให้มีอิสระเห็นเองเหตุฉะนั้นจึงเป็นพระพุทธศาสนามั่นคงถึงจะได้เท่าเขาโคก็ตามส่วนค้นโคไม่ได้ก็มอบไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าผู้มี บารายามีแก่ก้ามาแล้วจึงจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธศาสนาต่ําต้ยไม่ใช่บุคคลตาบอดหูหนวกจะมาเลื่อมใสสนเข็มได้ต้องเป็นผู้มีวาดสนาแก่ก้ามาบ้างแล้วจึงจะรู้จักของดีจึงจะรู้จักเลื่อมใสพระพุทธศาสนา<อ>ก็ฝากไว้กับพระเจ้าองค์อืนอ่นๆ ถ้าใครยังไม่เลื่อมใสสั์ทั้งหลายแต่และตัวละตัวมาในไตรโลกธาเนี่ยจะเข้าสู่พระา槃ทั้งหมดแต่ก็จะมาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นขั้งสุดท้ายเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่พระานได้เช่นพระโมคคันราสาธีบุตรถอนความเลื่อมใสจากศากสตราอื่นสนใครนาฏบุตรมาเสียก่อน จึงมาเลื่อมใสพระอัตฉริย hi, จึงมาเลื่อมใสคําสอนพุทธศาสนาจึงสามารถถึงพระโสดาบันได้จึงสามารถถึงพระหันได้นั่นซัดสี่เท่าสองเท่าสัตว์เสือกสัดครานไว้ในน้ํา ด, ดําในดินบินในาอากาศจะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี่นก็จะเข้าสู่พระ涅槃ทั้งหมดแต่ยังไม่มีคิวก็อยู่ตามกรรมและผลของกรรมเสียก่อนนะครับ ทำไมใครจึงเกิดมาไม่เหมือนกันพระกรรมและผลของกรรมสร้างไหวไม่เหมือนกันเพื่อเกิดตระกูลสูงก็พระเคยได้เคารพ น, นับไหวโคบอาคารและท่านผู้มีคุณตลอดถึงคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์มีสู ง, ม, สงมีต่ำมีเคารพไม่ตีตนเสมอจึงได้เกิดตระกูลสูงถ้าไม่อย่างนั้นก็เกิดตระกูลต่ำตรงกันข้าม เหตุฉะนั้นตระกูลของสัตว์ทั้งหลายจึงไม่เสมอกานชาวนาบ้าคนทุกคนจนบ้าตระกูลกษัตริย์บ้าตระกูลพราหมบ้าจึงปะปนกันอยู่บุคคลผู้เกิดมาเป็นผู้มีชีวิตสั้นก็เพราะแต่ชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตจึงมีน้อยตามสนองมาบุคคลผู้มีอายุยืนยาวมีชีวิตยาวก็ไม่ ค่อยจะได้ฆ่าสัตว์ตวัดชีวิตมีอายุยาวอยู่แต่ว่ามีโรคมากพระเคยได้เขียนในตีสัตว์แต่ชาติก่อนพระบรมศราสลาบุคคลผู้มีผิวขาวพระเคยได้บริจาคอันใดก็บริจาคขาวขาวเหตุนั้นจึงมีผิวขาวบุคคลผู้มีผิวดำคร่ากันหูกันหรแปลว่าคนดำ กแต่ชาติก่อนก็ตรงกันข้ามกับผู้มีผิวขาวมุคคลผู้มีความเฉียวฉลาดฟังอะไรก็จจำได้ถีท่วนหรือเข้าใจง่ายเพราะแต่ชาติก่อนได้เคยอบรมบ่มนิพสัยกับครูบาอาจารย์และท่านผู้รู้ไปที่ไหนก็ไต่ถามหาความรู้คนนั้นเกิดมาก็เป็นคนฉลาด ก็พวกสัตว์ทั้งหลายสร้างไว้ทั้งนั้นบุคคลผู้มีทรัพย์รวยเพราะแต่ชาติก่อนเคยบริจาคทานบ่อยๆไม่เป็นคนขี้ตนีเหนียวแน่นไม่เป็นคนขี้เหนียวเกิดมาก็เป็นคนรวย อ, องค์สมเด็จพระบรมราชาครบหมด ทา้งการเคารวะทังการบริจาคด้วยเหตุฉะนั้นจึงเป็นมนุษย์ชั้นที่หนึ่งในมนุษย์โลกและก็เป็นถือเป็นผู้ถือศาสนาพุทธด้วยเป็นหัวหน้าพวกเราทั้งหลายด้วยใช่ไหมเป็นมือขวาของพระพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีราชาโนราชาโนอยู่ทุกคนทุกแห่ง สถาบันของชาวโลกที่เป็นสมาธิธสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติสถาบันธรรมะที่ปกครองกันในฝ่ายโลกสถาบันกฎหมายกฎหมายก็ตั้งออกจากธรรมะของพระพุทธศาสนา ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไปไม่รอดอา้าวถ้าเราถือประชาธปชนหน้าเดียวจะเจริญไหมเอาเสียงคนมากเป็นประมาณหน้าเดียวจะเจริญไหมถ้าหากว่าประชาชนทั้งหลายเป็นพลังงานหมดมันก็เจริญประชาชนทั้งหลายเป็นผู้ชนคนนะมันก็ลากไปในทางบาปใช่ไหม เหตุฉะนั้นพระบรมศาสตรา จ, จึงไม่ไหวไก ใ, ในประชาชนหน้าเดียวสิ่งไหนที่เป็นเกลียวของธรรมะสิ่งนั้นถึงประชาชนจะพร้อมกันสักเพียงไหนก็ไม่เอาในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกสามภควีในายจึงเอาทีนี้กรณีบางแห่งที่พระบรมศาสต ร, ราตัดสินเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณ ถ้าคนมากเหล่านั้นจะเรียนจบพระไตรปิฎกกระทำความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้เธอมาออกเสียงความประพฤติของเธอดีจึงให้มาออกเสียงแต่พวกเราก็ตรงกันข้ามเป็นส่วนมากมึงไม่ออกให้กูกูเอาตังค์ให้มึงใช่ไหมนั่นมันก็ตั้งกันอยู่ไม่ได้ไม่อรอดกูดึงไปมึงดึงมาอยู่นะ่ะเพราะมีแต่กิริย ไอ้หัวกะทิถ้าไม่มีกิเตั้งอะไรขึ้นมันไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวก็เข้าข้างทำดิดดดดดดดนี่นี่ดิ้งนี่นี่ดิงชาวโลกจะมาลำเอียงว่าดิงไม่เที่ยง ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมากกว่าเมธีเมทซายเราก็ไม่ลงด้วยถูกไหมนี่ยนั่นเอา้าให้คะแนนเสียงดูสิอืมดึงไม่ตรงใหญ่นี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้วก็ไม่เชื่อนี่มากกว่าเมธีเมทซายในข้อมาหาสมุทรเราก็ไม่เชื่อน รัทีิใดๆก็ตามกฎหมายกฎหมู่ ก, กัพระกฎพวกตั้งขึ้นมามองดูคาสอนอุปัฏฐากนะมันก็ไปไม่รอดอีพ่ออีแม่เอยพวกที่ตั้งขึ้นที่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญมันไปรอดไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีไปรอดไหมน่นมันก็ไปไม่รอดนั่นนนั่นนนนั่นน่นอยู่ที่ใจของมนุษย์นะนั่นนั่น นี่ธรรมะที่ปไตยไม่ใช่ปัญหาธิปไจัยไม่ใช่อัตราธิปไตยข้าก่อ้ากสู๋สูตั้งเสาซะวันนี้เอาเสามาตั้งดิ่งไม่มีเถียงกันวันยังค่ำร่มทางทิศตนตกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้เสียงเหนือเสียงใต้เฉียงตะวันตกตะวันออกร่มไปทางนั้นเราไม่ต้องเถียงกันวันยังค่ำก็ตั้งเสาไม่ได้เอาพระอาจารย์มาเอาสารยุติธรรมมาสิ นี่สำเร็จเลยสารยุติธรรมระดับหนา้าชูงตรำก็เหมือนกันนี่นี่เอามาก็สำเร็จเลยระดับหนา้าไม่ได้ทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันฉันนในก็ดีสิ่งใด น, นักปราดว่าดีสิ่งนั้นก็ต้องดีสิ่งไหนคนพานว่าดีก็เอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีว่ามันว่าดีก็มีสิ่งที่ดีมันว่าไม่ดีก็มีเพราะกิเลสมันภาวาถูกไหมไม่ใช่ทำภาวา เหตุนั่น mm hmm. การละกิเลสจึงมีถ้าหากว่าโรคปวดหลงมีอยู่การปฏิบัติบรรเทาโรคโปวดโรคกวดหลงก็ไม่จําเป็นจะคัดข้านใช่ไหมถ้ า, าว่าสกปรกในร่างกายมีอยู่การอาบน้ำก็ไม่เป็นหน้าที่จะคัดข้านใช่ไหมถ้ า, าว่าโรคมีอยู่จะคัดข้านในการรักษาโรคเช่นคนหมอมันก็ไม่ไปหาคนหมอมันก็ไปไม่ได้ชั้นในกดก็ดีถ้าจิตใจของเราเต็มไปด้วยโรคโปวดหลงอยู่ พอฆ่าก็ค่าพอแกงก็แกงพออะไรก็อะไรตามอำเภอใจของจิตสร้างหันขวาหันมันหันเราได้พอพอแล้วเราจะไม่ปฏิบัติใจเราจะว่าเราฉลาดมันก็โง่เต็มภูมิใช่ไหมนั่นนั่นนั่นการปฏิบัติปฏิบัติจิตปฏิบัติใจให้ตรงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิบัติแล้วก็เป็นประโยชน์กับจิต จิตตังตัน ต, ต, ตังสุขขาวาหางจิตที่ฝึกฝนแล้วก็นำุกมาให้ตามส่วนคน่าของเหตุที่ฝึกน้อยแล้วมากจิตตถาธรรมโธสาธุฝึกฝนจิตนั่นเองเป็นดีนั่นในด้านจิตอ้าถ้าชาวโลกไม่เส้นห้าบมเด์ทหารจะมีไว้กินซี่แตกทำไมคำว่าซี่แตกเป็นคำภาอิสารตำรวจจะมีไว้กินซี่แตกทไมคาว่าซีแตกเป็นคำพาอิสาร เป็นคำหยาบที่สุดแต่ ว, ว่าจิตใจหลวงปู่ไม่หยาบเพื่อให้เข้าใจชัดจะหาว่าหลวงปู่พูดพระศะวาจาเพื่อคำหยาบไม่ถูกเพื่อให้เข้าใจชัดจึงถึงพลิดถึงขิ ง, ง, งสัมผัสปราปะพูดเพื่อเจอหลวงปู่ก็ไม่รับเพราะเจตนาไม่เป็นอย่างนั้นพูดเทศวางเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง สแสดงคำทำมาเห็นแก่ราบสแสดงทำไปโดยลาดับไม่ตัดรัดให้ขาดความอ้างเหตุผลอันนําให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตเมตตาปฏิสนะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่สแสดงธรรมเพราะเห็นแก่ราบไม่กร ะ, ะแต่แสดงธรรมกระทบตัวเราผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นพิกษุผู้เป็นธรรมก็ถึกพึงต้องตั้งองค์ห้าอย่างนี้ไว้ในตน ธรรมดสวนานิสงค์คืออ น, นิสง์แห่งการฟังธรรมห้าอย่างหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องเมื่อความเห็นทาให้ถูกต้องแล้วกิจผู้ฟังก็ย่อมผ่องใส สัพพะธนังธรรมะธนังชินาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่ให้เ ท, ท่าให้ทําเป็นทานให้ทานให้ทําเป็นทานชนะทาน ท, านทาั้งปวงพระบรมศาสีร า, าสอนไว้หมดสิ่งไหนที่ไม่สอนไม่มีเลยเอ้าใครเป็นนักใครเป็นนักรักษาโลกเอตต้นมือต้นลมต้นไฟรักษาต้นไฟต้นลมใครเป็นผู้รักษาเดี๋ยวพวกเรารักษาอยู่ทุกวันนี่ รักษาหลังฉากเนอ้อไม่รักษาต้นมือพระบรมศาสดารักษาต้นมือแล้วกาเมสซมิชาจาราเวระมณีสิข้าประทังสมาธิามิอย่าล่วงละเมิดกามารวมของท่านผู้อื่นเนอ้อผัวใครเมียใครเนอ้อมีขอบเขตเนอ้อนะักพระบรมศาสดา ร, รักษาโรคเอด ต้นมือแล้วใช่ไหมแต่พวกเรารักษาหลังฉากมันมันก็าตายเท่านั้นถูกไหมรักษาเวียนไัยมาให้เวียนไท ย, ยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเวรมณีเว้นแล้วเวีนอันนี้ สิกขาประทังสมาธิยามิเป็นสิกขาบทหนึ่งหนึ่งมาอยู่ที่ใจเป็นบทหนึ่งหนึ่งบทนี้ก็เวีนแล้วเวนอรมาดีเว้นแล้วเวีอันนี้นั่นรักษาต้นต้นมือแล้วการฆ่าการแตะแกงกันตายมะลึงพึ่งพืชกู้ฆ่ามึงมึงฆ่ากูก็พระไม่เค้ารพบสิขาบทข้อนี้มาแต่พบก่อนชาติก่อนหรือปัจจุบันก็ยังไม่รู้ตัวอีกเสียด้วยยังจะสืบต่อไปอีกด้วยอนี่นั่น อาทินนาทานาเวรแล้วมันเก็เหมือนกันเคยรักของกันมึงเคยรักของกูกูก็รักของมึงวาลิงพืชพืชจนถึงชาติเข้าสู่พระน槃นพานนั่นก า, า, ารมีชีวิตช้ารย์เหมือนกันเธอเคยเล่นเมียข่าข่าก็เล่นเมียเธอเธอเคยเล่นเล่นผัวข้าข่าก็เล่นผัวเธอนะกูทีมึงทีอยู่น่นเวียนี่พระบรมศาสดาตัดไฟต้นลมตัดลมต้มตนไฟแล้วทั้งโรคทั้งหลาย มีสินแห่บริบูรณแล้วกฎหมายจะตั้งมากทําไมแต่เอามาตรามาอวดกันมาตราท่านั้นมาตราร้อยท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านีนนนนน้มันก็อยู่หนังสือไม่อยู่คิดใจของมนุษย์ไม่ละอายตวาไม่กลัวตวาแล้วมันก็ท่องได้เฉยๆนั่นเรือนจําก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมี คดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องเนี่ผู้ใดมีสินห้าบริวณไม่เสียดายอยากลงระเบิดสินห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงขพันไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดเออโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรเคยได้ทําผิดเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล่ากันไปซะ เขามาก่อไม้ขอให้เราไปกันไปสักแต่เราโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรอาฆาตจองเวรผูกไกเก็บไม่มีในพระโสดาบันและไม่เสียดายร่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายร่วงละเมิดอบายยมุกด้วยนั่นคือพระโสดาบันไม่มีใครใส่ชื่อให้ก็ใส่ชื่อเองถ้าเสียดายร่วงละเมิดศีลห้าเสียดายอยากเล่นอบายยมุกเสียดายอยากจะค่าขายเครื่องปหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่เนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าไปเป็นอาหารค่าขายน้ำมันค่าขายยาพิษ เชื่อใจอยากจะถือเลื่องดียามีต่างๆถึงจะเขียนใส่หน้าผากไอ้มันก็เขียนหลวงเหมือนกันถึงจะไม่เขียนก็คือพระสวดบิบาลเราดีๆนี่เองสัสตาปะนะแปลว่าเป็นผู้เห็นดวงตาเห็นธรรมแล้วนะกรรมที่ดีสิ่งที่ดีได้ไม่ดีไม่ใช่คนอื่นสร้างขึ้นเราสร้างขึ้นไว้จะไปตูคนอื่นจะไปตูแดดตูลมเราสร้างไว้อันไหนเราก็ได้รับอันนั้น สร้างมาในพบคนก่อ น, ก, อนก็ในมรับมาพบคนก่อ น, อนตรอดมาจนถึงพบนี่กมให้ผลสำเร็จแล้วคือพระรหารพระรหารบาปก็สร้างก็เว้นพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วก็เลยเหนือบาปเหนื้อบุญไปสร้างก็เลยเข้าสู่ข้อในฟา แต่พวกเราบุญก็ยังสร้างไม่พอบาปก็ยังละไม่พอแล้วจะฟิตตัวเป็นพระหรันมันก็เป็นพระหรันตวงอรหันขาดคะเนนั่นเองใช่ไหมเงินมีสองสามตังค์จะไปสมัครเป็นเศรษฐีมันก็ไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ถ้านั่งภาวนาเขาเดี๋ยวจะเป็นพระโมคขลาหะไปนะั่นจงหาปู่ ยังไม่นานเลยอยากให้เหาอะอไป ม, มันก็เป็นไปไม่ได้เหตุมีนิดเดียวต้องการรับผลมากเขียนหนังสือตัวเดียวอยากได้ให้เขาเซ็เนชื่อเซ็นชื่อเจ้าของก็ยังไม่ถูกก็แต่อยากได้เงินเดือนเดือนละหมื่นมันก็ไม่ถูกกันถูกไหม พวกหนึง่งเขาโตเถียงกันโต้เถียงกันอยู่ที่อุดอรจะฆ่ากันตายเราได้ทราบข่าวเราหัวเราะพระพุทธศาสนาถือว่าความดีความชั่วเราสร้างขึ้นแต่วพวกหนึ่งเขาก็ถือว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้ น, นพระผู้เป็นเจ้าใจนี้เองสร้างขึ้นไม่ผู้เป็นเจ้าอืนอ่น พราะใจของเราสร้างขึ้นพระพุทธศาสนาลึกซึ้งมากถ้าใครอยากพ้นทุกข์ในวัฏจักรสงสารก็มีอยู่นี่สอนเบื้องต้นสอนกาสารากรสรากาขอสราขาเบื้องต้นของพุทธศาสนาก็คือพระโสดาบันเบื้องกลางก็สัคขาคาเมียนาคามีเบื้องท้ายก็คือพระอรหันต